ในไตรปิฎกมีเรื่องเรานะเกี่ยวกับมานี่หลายตอนด้วยกันมาเนี่ยนะจะคอยกีดขวางผู้ที่ปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าสมัยที่ยังไม่ทันตัดสดู หรือว่าพิสูภนพิสุจนนีรวมทั้งคืนละหัสนะที่ตั้งใจปฏิบัติทมวิธีการขัดขวางของมานี้ก็ทำหลายอย่างมากโดยอุบายเช่นหลอกให้กลัวบางทีก็แปลงกายมาเป็นช้างบางแล้ว งูใหญ่บ้างลวหรือว่าแผ่นดินไหวใครเจอแล้วก็มักจะตกใจกลัวเลิกปฏิบัตินะหนีเลยเนะบางทีก็มาในรูปลักษณะที่แยบคายเช่นอาจจะมาในรูปของพราม ที่มาชักชวนนะให้ลาทิ้งความเพียนอย่างเช่นมาบอกพระพุทธเจ้าว่าสมัยที่ยังนะยังไม่ตรัสรู้บอกว่าชวนให้กลับไปสวยราบของเราจะสมบัติบางทีก็ชวนให้ใหพระเจ้านะรูจ้จชาติทัศนฐาสมัยที่ทำความเพียร น, นี้ นกลับไปหาการเป็นทุกขลักกิริยาหรือบางทีก็มาบอกว่าเนี่ยมาทำทำไมนะในความเพียรเนี่ยท่านก็มีบุญกุศลมากมาอยู่แล้วนะไม่ต้องทำหรอกนะบางทีก็มาชวนนางพิสุณีว่าเนี่ยให้ไปมุ่งปฏิบัติเพื่อสวรรค์ดีกว่า คือพยายามพูดให้เขวจะได้ลบทิ้งนาการปฏิบัติเพื่อ น, นิพพานเพื่อการพ้นทุกข์งทีก็มาป่วนนะเช่นมาเข้าทองนะพระโมคคัลลานนะแต่ น, นี้ก็เกิดขึ้นหลังจากที่ท่านบรรลุ ธ, ธรรมแล้วนะคือแม้กระทั่งพูดี่บรรลุ ธ, ธรรมแล้ว ตัดสูตรพระพธเจ้ามารี่มากอบกวนแต่ว่าวิธีหนึ่งที่พระพธเจ้าใช้นะแล้วก็พระอรันต์ทั้งหลายรันช้เนี่ยไม่ใช่ใช้ลิศนะขับไล่มาออกไปแต่เพียงแต่บอกกับมารว่านะมารผู้มีบาปนะเรารู้จักท่านนะ อยากคิดว่าเราไม่รู้จักท่านคือพูดว่าผู้ให้รู้ว่าเรารู้ทันมานแล้วมานเนี่ยมันกลัวมากเลยคนที่รู้ทันคนที่รู้ว่าที่แท้เนี่ยอันนี้คือมานาเพียงพูดเท่านี้เนี่ยนะมานก็เสียใจแล้วก็พ่ายแพ้ยอมเลิก อย่างเช่นเนี่ยที่มา ก, กวนมาเกาะกวนพระโมคคัลลานะท่านก็ท่านก็ใช้ยานอย่างดูนะลก็เพราะอ๋อนี่ตีมือมานมานี่ก็มีฤทธิ์นะมานี่มีฤทธิ์นะเพราะว่าเป็นเทวดาชนิดหนึ่งนะมีฤทธิ์พระโมคคัลลานะในท่านก็มีฤทธิ์เหมือนกันนะแต่ว่าเพียงแต่ท่านพูดเนี่ยมานพูดมีบาดเดี๋ยวอย่ารู้ว่า เ่นอย่าอย่าคิว่าเราไม่รู้จักท่านเรารู้จักท่านแค่นี้ลนะํามานก็ยอมแพ้เลยมานกลัวาการรู้ทันมีคราวหนึ่งก็ไปไปขู่ไปหลอกพระรูปหนึ่งชื่อพัฒสมิตทีนะท่านกำลังทำความเพียรก็ไปไปแกล้งให้เกิดแผ่นดินไหวมันก็ตกใจนยะวิ่งหนีเดินหนีไปเลยนะ เลิกทำความเปลี่ยนกับเข้าเชตวันผู้เจ้าถามมากลับมาทมําไมพอสมิธีก็ไล่ฟังผู้เจ้า ก, ก็บอกเนี่ยอ๋ออันเนี้ยมันเป็นฝีมือของมารทีหลังถ้าเจอแบบนี้ก็บอกเลยนะว่ามานเนี่ยเรารู้จักท่านนะอย่าคิอว่าเราไม่รู้จักท่นันได้ผลนะมารก็เลิกขู่เลิกต่อยแยอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่นะ ชี้เห็ น, นะว่าการรู้ทันเนี่ยเพียงแค่รู้ทันนี่มันก็ทำให้มารนะไม่สามารถที่จะมารบกวนกันแกล้งผู้ปฏิบัติทําได้ถึงแม้ผู้ปฏิบัติทรมจะไม่มีฤทธินะ์เท่ามารแต่ว่ามันก็ทำอะไรไม่ได้ มานี่ก็มีความหมายหลายอย่างนะมาที่กล่าวถึงในในพระไตรปิฎกอาจจะหมายถึงเทวดปุตตมานเทวดุตตมาคือเทอวดานะที่อยู่ในชั้นกลางภพที่ต้องการเหนี่ยมอำนาจเหนือจิตใจมนุษย์ไม่อยากจะให้มนุษย์เนี่ยทำความเพียนจนกระทั่งพ้นอำนาจของมารคือถ้ามนุษย์เราเนี่ยทำความเพียงจงนจนกระทั่งเห็นทั่วของกามไม่ยึดติดในกาม มานี้ก็ไม่สามารถจะมีอำนาจเหนือใจิตใจมนุษย์ได้มาจะหมายถึงเทพบุตมารหรือว่าหมายถึงขันธมารก็ได้ขันธมารหมายถึงมัจุมาห ก, ก็แต่มัจุมาห์คือความตายความตายนี่ก็เป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้มนุษย์เราเนะี่ยปฏิบัติทำจนพ้นทุกข์ได้ขันธมารก็หมายถึงสังขารร่างกายที่มันเสื่อม ความเจ็บความป่วดนี่ก็เป็นเป็นมารอย่างหนึ่งนะที่ทำให้ขัดขวางการทำความดีอา่จมายถงกิเลสมานก็ได้กิเลสมานก็คือกิเลสนั่นแหละทีะ่คอยขัดขวางไม่ให้เราพัฒนาตนเพื่อก้าวถึงความดีที่สูงยิ่งยิ่งขึ้นไป ส่วนใหญ่เนี่ยที่รบ ก, กวนพวกเรานะก็คือกิเลสสามานี่แหละรวมทั้งขันธมารเนก็คือความคิดปรุงแต่งนะที่มาชวนให้เราท้อหรือว่ามาทำให้เราเขวความปวดความเมื่อยซึ่งเป็นธรรมชาติของขันธ์ธรรมดาของขันธ์ ก็มารบกวเราแต่ว่ามันก็ไม่ไม่น่าวกลัวเท่ากับกิเลสมานตะายไดที่มาจุมานหรือว่าความตายยังไม่มาถึงตัวเรานะไอ้สิ่งที่จะขัดขวางการทําความเพียงของเราก็สองตัวใหญ่นี้แหละนะกิเลสมานคันธมานครานี้เราจะรับมือกับมาน เรานีอยังไรนะก็อาศัยอุบายที่พระเจาได้สอนนั่นแหละคือการรู้ทันการรู้ทันไม่ว่ามันจะมาดนยหลวงความเบื่อความเซ็งความโกรธความเศร้าความลังเลสงสัยนะหรือว่าความเพลิดเพลินนะใน ในความสุขอย่างโลกโลกเนี่ยไอสิ่งเหล่านี้ล้แล้วแต่ทำให้ขัดขวางการปฏิบัติของเราทำให้เราคลายความเพียรทำให้เราท้อแต่ว่าไม่ว่ามันจะมีอำนาจแค่ไหนเนี่ยสิ่งที่เรามีเหนือกว่าและทำได้คือการรู้ทัน การรู้ทันนี่มันมีอำนาจมีอนุภาพเนะไม่ต้องไปขับไล่ไม่ต้องไปใช้กำลังนะผักใสกดข่มเพียงแค่รู้ทันแค่รู้ทันเท่านั้นก็ดาบหายไปอย่างที่เมื่อวานนี้ก็ได้พูดนะว่าถึงคำสอนุกงปุ่ดุล น, นะที่ท่านบอกว่าเนี่ย มีคนถามว่าทําไมตัดความโกรธให้ขาดท่านก็บอกว่าไม่มีใครตัดให้ขาดได้หรอกมีแต่รู้ทันนะเมื่อรู้ทันมันก็ดับไปเองไอ้ความโกรธนี่ก็เป็นกิเลสมานก็ว่าได้นะ่ว่าการรู้ทันแค่รู้ทันว่ามันคืออะไรเนี่ ย, เ, ยเป็นความเหงาความเศร้าความเบือ่อนะความเซงความโกรธความหงุดหงิด รู้ว่ามันคืออะไรเนี่ยมันช่วยได้เยอะเลยนะอันนี้บางทีท่านก็มีอุบายนะใส่ชื่อให้มันนะนเช่นโกรธก็โกรธเนอง่วงก็ง่วงหนอเบื่อก็เบื่อหน อ, อ น, นี่เป็นกา ร, รว่าติดป้ายชื่อให้มันติดฉล่าให้มันหรือว่าเรียกชื่อมันนะการที่เราจะเรียกชื่อได้เราก็มีสติระดับหนึ่งนะ พอถ้ามีสตินี่ก็จะจมเข้าไปอยู่ในอำนาจของอารมณ์นั้นแล้วก็มืดไปหมดเลยจมดิ่งอยู่ในความเศร้าจมอยู่ในความโกรธจมอยู่ในความเหงาความเบือ่อแล้วมันคิดแต่จะส่งจิตออกนอกอย่างที่ผู้ใช้มยวชา ว, ว่า เราจะรู้จักมันได้นะี่ต้องออกจากมันนะถ้าประถูกมันครอบนี่ก็ไม่รู้จักมันเมื่อออกจากมันได้นะเห็นมันก็จะรู้จักมันคาว่าเห็นรู้จักหรือรู้ทันเนี่ยนะเป็นจะเป็นคีย์เวิร์ดนะเป็นเป็นคำสำคัญนะสารการปฏิบัติในพุทธศาสนา เริ่มแรกก็เห็นด้วยสติก่อนเห็นด้วยสติก็คือรู้ทันนะหรือว่ารู้ว่ามันเกิดขึ้นในใจถ้าไม่มีสตินี่ก็มันก็มืดมันก็หลงมีสติเมื่อไหร่มันก็ดึงจิตออกมาเห็นมันหน้าที่ของสติคือเป็นตาในนะช่วยทำให้เห็น แะสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายและใจพระเจ้าเปรียบสติเนี่เหมือนกับหอคอยนะเมื่อเรายืนอยู่บนหอคอยนะเราก็เห็นกระแสน้ําการมีสติดูกายดูใจก็เหมือนการที่ยืนหรือนั่งอยู่บนหอคอยแล้วก็ดูกระแสน้ําไหลคําอุปมาณนี้ก็เปรียบให้เห็นว่าเป็นการดูเฉย เมื่อเราอยู่บนหอคอยดูกระแสน้ามันจะมีไหลไหลมาลอยมาตามกระแสน้าเราก็แค่ดูมันเฉยเฉยนะไม่ต้องลงไปไม่ต้องไปทำอะไรกับสิ่งที่ไหลามาตามกระแสน้าไม่ว่าสิ่งนั้นจะสวยงามหรือว่าน่าเกลียดก็ตามมีค่ามีราคาหรือว่าน่าขยะขยะแขยงก็ตามก็ดูมันนะ ไหลเรื่อยไปตามกระแสน้ำแล้วเมื่อเรามีสติเราก็เห็นนะความเป็นไปของใจที่เหมือนกับกระแสน้ำความเป็นไปของใจก็เปลียนได้กับกระแสน้ำก็คือว่ามันมีอะไรต่ออะไรเกิดขึ้นแล้วมันก็ผ่านเลยไปเราสังเกตได้ในใจของเราเนี่ยมันมีความคิดสารพัดนี้เกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปมาแล้วก็หายไปบางที ชา้าตอนเช้าก็มีความยินดีมีความสดชื่นร่าเริงสภาพมันก็ไปแล้วมีความเบื่อความเซ็งความหุดหงิดเข้ามาแทนที่แต่ไม่ใช่แม่ น, น้ำ ก, ก็มันก็ไปเหมือนกันหน้าเที่งสติก็คือดูนะเหมือนก็อยู่บนหอคอยเป็นการดูเฉยๆนะหรือว่ารู้สู้ๆโดยที่ไม่ต้องไปทําอะไรกับ กับสิ่งที่ไหลามาผ่านมาตามกระแสน้ำนั้นถ้าลงจะหอคอยไปนะอันนั้นมันไม่ใช่สติแล้วนะไม่ว่าจะไปยึดไปคลองหรือไปผักสสยก็ตามในบางที่พระเจ้าก็อุปมาว่าสติเนี่ยการมีสติดูกายดูใจก็เหมือนกับคนที่ต้อนวัวนะฝูงวัวไปกินหญ้า แล้วก็เป็นการต้อนในช่วงที่ชาวบ้านก็เกี่ยวข้าวไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องห่วงว่าวัวมันจะไปกินข้าวชาวบ้านก็เพียงแต่ว่าดูวัวนะดูวัวอย่างสบายใจนะไม่มีความเครียดไม่มีความวิตกว่าเดี๋ยวมันจะไปกินข้าวชาวบ้านไปกินผลผลิตของชาวบ้านเพราะมันไม่เหลืออะไรแล้วนะ ก็ดูเป็นการดูอย่างผ่อนคลายดูอย่างสบายใจอันนี้เวลักษณะของการเจริญสตินะคือว่าเวลาเราดูเนี่ยเราก็ดูรู้เฉยเฉยรู้ด้วยใจที่ผ่อนคลายถ้าทําด้วยอาการหน้าดําคร่าเคร่งเงนี่ยมันก็ไม่ใช่แล้วที่หลวงพ่อเทียนเขาบอกว่าทำเล่นๆนะความหมายมันก็ ก็ใกล้เคียงกนะันเพราะเวลาเราทําอะไรเล่นๆเนี่ยเราก็ทําด้วยใจที่สบายผ่อนคลายนะไม่เวลาเล่นฟุตบอลเล่นแบบเล่นๆ เ, เนี่ยมันก็ผลผลของการแข่งขันนี้ก็ไม่สําคัญจับแพ้หรือชนะก็ไม่สําคัญนะเพราะว่าไม่ได้จริงจังไม่ได้จริงจังกับผลแพ้ก็ไม่เป็นไรนะทำเล่นๆคือว่าไม่เป็นไร ไม่ได้คิดจะเอาไม่ได้คิดจะชนะอะไรแต่ท่านก็ย้เนะให้ทำจริงๆด้วยก็คือว่าทำทั้งวันตั้งแต่เชา้าตื่นนอนขึ้นมาจนเข้านอนเลยทำอะไรก็ตามก็ให้มีสเตจให้มีรู้ความรู้สึกตัวยางน้อยก็มีความตั้งใจที่จะทาอย่างนั้นหรือว่าเตือนใจให้ทำอย่างนั้นแม่มันจะเผลอ เผลอแล้วเผลอเ ล, า, เอเลาก็อ่ะไม่เป็นไรเรื่องต้นใหม่ไม่เป็นไ ร, รมนมไม่เป็นไ ร, ไนไรจะคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างนีหลวงพ่อเห็นตน้านท้านยำท่านยำไหมคิดดีก็ช่างนะีคิดดีก็ไม่ต้องอิ่มไม่ต้องไปยกหูชูหางตัวเออเราเก่งฮคคิดได้ยังไงนะนะคิดดีก็ช่างคิดไม่ดี นึก ด, ดกกลดานะอิจฉาหรือว่าคิดจะเอามีความอยากจะเบียดเบียนก็ช่างมาันมันเป็นแค่ความคิดแม้แต่คิดจ่วงจาบนะนะพระรัตนตรัยเนี่ยก็เหมือนกันนะมีบางคนนะเขามีปัญหามากเลย เวลาทำวัาสดมนเนี่ยมันจะมีเสียงหนึ่งผูดขึ้นมาเป็นเสียงนะจ่วงจากพระพุทธธรรมพระสงฆ์นะหรือบางทีไม่ได้ทำวัาสดมนนะแต่ว่ามันก็มีเสียงนะค่อนแคะต่อว่าพ่อแม่นะแล้วคนเหล่านี้ก็เป็นทุกข์มากเพราะว่าไม่สบายใจที่มีความคิดแบบนี้ ตัวมีผิดปกติไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยกลุ้มอกกลุ้มใจทําไมไม่ถูกว่าและความคิดแบบนี้มันมันจะเกิดคนที่นะเรียบร้อยนะเรียบร้อยถึงท่านประเภทติดดีอติดดีเนี่ยพอมีความคิดแบบนี้เข้าเนี่ยมันก็จะรบกวนจิตใจมากทาไมเรามีความคิดไม่ดีแบบนี้ทําไมเราชั่วร้าแบบนี้ก็ยิ่งเป็นทุกข์ แล้หลวงพ่อหมายถึงเบอกวนะ่าเนี่ยคิดคิดชั่วก็ช่างแต่คนที่ไม่รู้นะไม่รู้วิธีนี้นะก็จะไปก็จะไปนะก็จะมีไปตี อ, อกชกหัวหรือไปมีความกัดกลุมมากนะที่จริงเนี่ยนะมันก็เป็นอุบายของมาร น, นะมองให้ดียงว่าอุบายของมาร เราคคนที่มีปัญหาบบนี้มาแล้วก็ก็ก็บอกเขาานะว่าอย่าไปสนใจความคิดนี้มันเกิดขึ้นก็ไม่ต้องไปผักไสมันแค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นในใจแล้วก็อันหลังให้มันก็พอแล้วหรือพูดอย่างหลวงพ่อคำเขีก็ว่าคิดชั่วก็ช่างช่างมัน พอถ้ยิ่งไปกดขม่มมันยิ่งไปผักสายมันนะมันก็ยิ่งมีกําลังยิ่งเหนียมหน้ามันชอบเลยนะถ้าหากว่าเราไปกดขม่มผักสายมันเนี่ยก็เท่ากับไปเพิ่มกําลังให้มันมันก็ยิ่งมารบกวนรังควานจิตใจเนยวิธีเดียวชื่อหรือวิธีที่ดีสุดคือว่าแค่รู้ทันแล้วก็ไม่ต้องสนใจมันทันหลังให้มันนะ ไม่ต้องทำอะไรกับมันจะเรียกว่าไม่แย่แสก็ได้มันจะโผล่ขึ้นมาก็ช่างมันเราก็รำไปที่เพียแค่รู้นะรู้แล้วก็ประเดี๋ยวๆก็ผ่านเลยไปถ้าไปเออะโวยวายสู้รบตกมือกับมันเนี่ยมันยิ่งเข้านะเข้าเกมหรือว่าตกในเกมของมันมันยิ่งชอบไม่มีหมาชนิดหนึ่งนะ มันมีหมาที่ออ่หมาประเภทนี้ก็มีเยอะด้วยเจ้าของนี่ก็เลี้ยงมันอย่างดีแล้วก็ไม่ได้ขังมันไว้ในกรงก็ปล่อยมันนะให้อยู่ในบ้านส่วนใหญ่เจ้าของก็มีแค่คนสองคนแล้วก็ไปทํางานนะแต่ชอบก็ไปทํางานก็ทิ้งหมาไว้นะ เอาาหารให้มันกินแล้วก็ออกไปทำงานในบ้านนี้ก็ไม่มีใครอยู่เลยได้มาเพศนี้เนี่ยมันก็จะมีนิสัยแลกคือมันจะมันจะกัดโต๊ะนะกัดโซฟานะบางทีก็ขี้ขี้ใส่พรมสร้าง ปัญหากับเจ้าของบ้านมากเจ้าของบ้านมาเห็นก็ดา่าด่าแล้วมันก็นยังไม่เปลี่ยนพฤติกรรมวนทางต้องตีมันนะบอกว่าตีมันเท่าไหร่นะก็แก้นิสัยนี้ไม่หายกลับหนักกว่าเดิมไปปรึกษาผู้รู้เนี่ยผู้รู้ก็จะแนะนำนะเพราะว่า ไอ้ที่หมาทำงานเพราะมันต้องการเรียกร้องความสนใจนะหมาจะเหงานมันอยากได้รับความสนใจมันก็เลยมีพฤติกรรมแบบนี้และการที่ไปด่ามันเนี่ยนะการที่ไปว่ามันหรือแม้กทั่งตตีมันเนี่ยหมามันชอบนะเพราะมันแสดงว่าเจ้านายเนี่ยสนใจมันแล้วมันยิ่งทำใหญ่เลย ผรู้เขาแนะนำว่าต้องทํำทีไม่สนใจมันเนี่ยแม้มันจะอารวาแค่ไหนะก็อย่าไปสนใจมันความไม่สนใจนี่แหละนะจะทําให้หมาเนี่ยมันมันรู้สํานึกนะว่าให้ทําอย่างนี้เนี่ยมันไม่ถูกแล้วมันก็จะเลิกทําไปเองเอย่ยไปสนใจมัน แต่ถ้าไปสู้รบตบมือบมันไปว่ามันไปดา่ามันไปตีมันนี่ถ้ามันกลับได้ใจนะแล้วมันกลับชอบก็ทำอีกมาคิดดูก็ไออารมณ์ไอความคิดที่ไม่ดีเนี่ยอารมณ์ที่เป็นอกุศลก็เหมือนกันนะมันจะเป็นความเศร้าความโศกความรู้สึกผิด มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะเกิดขึ้นเราก็ทุกแล้วส่วนใหญ่ก็อยากจะเข้าไปกดคมมันอยากจะเข้าไปกำจัดมั น, นมีความคิดไม่ดีนะจ้วงจากพระัตนัทไตรต่อว่าพ่อแม่ก็ไปกดมันเอาไว้มันยิ่งชอบสิ่งที่ดีกว่าคือว่า แค่รู้มันเกิดขึ้นแล้วก็ไม่สนใจมันอันนี้เรียกว่ารู้สื่อๆก็ดนนะรู้ซื่อๆหรือเหมือนกับว่าอยู่บนอยู่บนอยู่บนหอคอยนะก็รู้ว่ามันเกิดขึ้นนะแต่ว่าก็ไม่ไปทำอะไรกับมันรือเหมือนกับที่พระเจ้าสอนให้รู้ว่าอันนี้นะคืออุบายของมารมารผู้มีบาปเรารู้จักท่านอย่าคิดว่าเราไม่รู้จักท่าน แค่นี้ก็พอแล้วแต่ว่าธรรมชาติคนเราเนี่ยมักจะทำอย่างนั้นไม่เป็นนะมักจะมีปฏิกิริยาแต่ก่อนก็ตามมันไปมันมีความเพี้วก็ตามมันไปมันมีความอยากก็ทำตามความอยากมีความโกรยก็ ทำตาหน้าของมันมันสั่งให้ด่าก็ด่ามันสั่งให้ทําร้ายก็ทํำร้ายพอมาปฏิบัติธรรมอ่ะก็เปลี่ยนไปทําตรงข้ามคือต้านมันกดข่มมันผักสมันสู้รบตบมือกับมันอันนี้มันก็ได้ผลอยู่บ้างนะแต่ว่ามันได้ผลชั่วคราวมีความกลัไปกดข่มมนววมันก็หายไปชั่วคราวแล้วมันที่ก็โผล่มาใหม่ ยิ่งกดคมมันหนักเท่าไหร่เนี่ยบางทีมันมันไปมันก็ซุกซ่อแล้วไปโผลในลักษณะอื่นเนี่ยมีบางคนเวลาเจอสามพระภูมิเนี่ยก็จะรู้สึกโกรธรู้สึกเกลียดสามพระภูมิมากอยากจะไปทำร้ายโดยที่ไม่รู้ว่ามันเกิดเพราะอะไร รู้ว่ไม่ดีแต่ไม่รู้ว่าหักห้ามใจไม่ได้จนทั้งต้องไปหาจิตแพทย์นะจิตแพทย์ก็สั่ถามป่าวะแล้กวก็พบว่าเขามีปัญหากับพ่อ เ, เขาโกรธพ่อเกลียดพ่อแล้พ่อไม่เป็นธรรมพ่อทํำร้ายเขาจนบางครั้งนี่เยากจะอยากจะตอบโต้พ่อด้วยการทําร้ายพ่อพอใช้กําลังเขาเขาก็อยากจะทําอย่างนั้นต่อพ่อโกรธมากเกลียดมาก แต่ก็หักห้ามใจได้แล้วก็รู้สึกไม่ดีแล้วก็ยอมรับไม่ได้ว่าตัวเองนี้มีความที่อยากจะทำร้ายพ่อเพราะคนดีก็ไม่ทำอย่างนั้นกันถ้าทำยังไงก็ไปกดมานาันเอาไว้ไม่ยอมรับปฏิเสธเนี่ยปราก็ว่ามันก็หลบนะมันไม่หายไปมันแค่หลบในแล้วไปโผล่มาในลักษณะอื่นนะที่ จิตใจพอจะยอมรับได้นะก็คือไปโกรธสามภูมิแทนเพระาะว่าสามภูมิเนี่ยเป็นเสมือนตัวแทนของพ่อ เ, เป็นสิ่งที่คนเคารพเป็นสิ่งที่คนอ า, อาจจะนับถือแล้วก็เป็นตัวแทนของอำนาจเนี่ยอำนาจโกรธพ่อไม่ได้ก็ไปโกรธสามภูมิแทนอันนี้ก็เป็นโทษอันนี้เป็นผลของการกดขม่มนะ กดมความโกรธนะมันไม่หายไปไหนมันไปมัไปโผล่ในลักษณะอื่นอันนี้แล้วว่ามันไปมันไปซุกซ่อนอยู่ในจิตไร้สมนึกนะแล้วก็มันก็ผุดโผล่มาในรูปลักษอื่นนะที่บางทีเราเนื้ไม่ออกแลว้วมันเกี่ยวยังไงกับพ่อแต่มันโยงกันได้อะเพราะนั้นเนี่ยให้เราตระหนักว่าตาม ตามก็ไม่ถูนกักกิเลสนะแต่ถ้าต้านมันนะถ้าต้านไม่เป็นนะีมันก็เกิดปัญหาได้จะเป็นแค่เรารู้ทันมันนะมันก็ช่วยได้เยอะการรู้นะการรู้ทันหรือว่าการรู้ว่านี่นะนี่คือตัวโกรธ น, นี่คือตัวกิเลสนะแล้ถ้าดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆเนะี่ย ดูด้วยสตินะมันก็จะรู้ว่ามันก็เป็นแค่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในใจไม่ใช่เราไม่ใช่เราถ้าไม่ใช่สตินะมันก็จะไปคิดว่าเป็นเรานะเวลาความโกรธเกิดขึ้นก็ไปคิดว่าเราโกรธนะเวลามีความเกลียดเกิดขึ้นก็ไปคิดว่าเราเกลียดเวลามีความคิดไม่ดีจ่วงจาบก็รัตนาใจด่าว่าพ่อแม่คิดว่าเนี่ยเป็นเรา ที่ไม่ใช่เรานะมันเป็นแค่สิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาความเยอะเป็นเราเมื่อไนี่ทุกเลยแล้วก็เกลียดตัวเองอเกลียดตัวเองที่มีความคิดแบบนี้ที่มีความรู้สึกแบบนี้ในสิ่งที่ไม่ควรมีคนที่เป็นอย่างนี้ก็เยอะนะมีมากพราะไม่เห็นว่ามันเป็นศักแต่ว่า อาการที่เกิดขึ้นกับใจมันไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราจะเห็นได้ต้องใช้สติพอเห็นแล้วนี่มันก็จะช่วยทำให้ปลดเปลื้องนะจะช่วยลดบันเทาไอความรู้สึกทุกข์หรือว่าความรู้สึกแย่ที่มีความคิดแบบนั้นก็เห็นว่ามันเป็นแค่สิ่งที่เกิดขึ้นในใจนะไม่ใช่เรา อันนี้เราเห็นด้วยสติและสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือว่าใจมันก็จะสงบ <Yeah. S 1> เมื่ออารมณ์เหล่านี้มันถูกรู้ทันถูกเฝ้ามอมก็หายไปใจก็สงบ <Yeah. S 1> เป็นความสงบที่เกิดขึ้น <Yeah. S 1> อาจจะท่ามกลางเสียงกระทึกครึกโครงข้างนอก แต่ว่าข้างในสงบอันนี้ต่างจากบางคนนะอยู่ในที่ที่สงบไม่มีเสียงรบกวนแต่ว่าในใจนี่มันมันระ ง, งมไปด้วยนะความคิดสารพัดคิดเรื่องงานคิดเรื่องอะไรต่ออะไรไม่ใช่ว่าสงบ ในสิ่งที่ไม่ใช่ว่าอยู่ในสิ่งวัลลังที่สงบแล้วใจมันจะสงบตามไปด้วยนะบางทีมันก็เกิดอย่างนั้นแต่บางทีมันก็ไม่ใช่เช่นนั้นนะอย่างพวกเราจะอาจจะประสบในตัวเองนะมาอยู่ที่นี่เนะี่ยเสียงมันก็ไม่เคยมีเสียงรบกวนเท่าไหร่เนี่ยแต่ว่าใจนี่มันมันระงมมันดังนะไปด้วยความคิด คิดไม่หยุดหรือว่าถูกรบกวนไปด้วยอารมณ์ต่างๆสงบภายนอกมันไม่ได้แปลว่าจะทำให้สงบภายในมันช่วยกล่อมช่วยกราดให้สงบภายในได้แต่ว่าถ้าจิตไม่มีสตินะแม้ข้างนอกจะสงบแต่ข้างในเนี่ยก็จะว้าวุ่นร้อนรุ่ม วุ่นวายก็มมีสเตริรทันนะบางทีมันรู้ความอึดอัดนะอึดอัดนะยิ่งต้องอยู่คนเดียวนะบางคนอยากจะพูดอยากจะคุยแต่ว่าพอมาอยู่ที่นี่นะต้องปิดวาจา นี่มีความอึดอัดแต่ความอึดอัดที่เกิดขึ้นก็เป็นข้อดีนะมันทำให้มันมันทำให้เราได้เห็นใจของเราอย่างที่พูดเมื่อเช้าว่าไอ้ทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับเรานี่มันมีประโยชน์ทั้งนั้นแหละกิเลสที่เกิดขึ้นความไม่พอใจที่เกิดขึ้นความขัดเืองใจมันเกิดขึ้นเนี่ยนะมันก็ทำให้ เป็นแบบฝึกหัดของใจเมื่อมีความอึดอัดขึ้นมาเพราะไม่ได้พูดไม่ได้คุยอย่างที่เคยเราก็ฝึกใจไม่ใช่ด้วยความด้วยการด้วยขันไม่ใช่ด้วยขันตินะคืออดทนอดทนต่อความอึดอัดเทน่านั้นแต่ว่าอดทนอดทนก็ดีนะขันติเนี่ยแต่ว่ามันยังทุกอยู่นะมันก็กัดฟัน กัดฟันสู้กัดฟันทนแต่เท่าไราใช้สติเออเห็นความ อ, อึดอัดนะอยากพูดอยากคุยแต่ว่าไม่ได้พูดไม่ได้คุยอยากทำโน่นทำนี่แต่ว่าไม่ได้ทำอย่างที่เคยทำมันมีความ อ, อึดอัดก็เห็นมันการปฏิบัติธรรเนี่ยนะถ้าจะดีเนี่ยมันต้อง มันต้องอยู่ในบรรยากาศที่ทำให้เกิดนะความอึดอัดความไม่สบายใจนะเกิดความกัดเคืองใจบ้างนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นการบ้านมาให้ใจเราได้เรียนรู้แล้วก็ได้ฝึกฝนและรู้วิธีที่จะรับมือกับมันหรือว่า จัดการไม่ให้มันเนี่ยเข้ามาครอบงำจิตใจซึ่งก็สูคือฝึกให้รู้ทันมันนั่นแหละเมื่อเรารู้ทันมันที่นี่ตรงนีเน้เราก็จะก็ง่ายที่เราจะรู้ทันมันในเวลาเรากลับไปบ้านไปที่ทํา ง, งานแล้วเจอมันแล้วเนี้ ย, ยให้เราเราลึกว่าเออไอการนะตามมาอยู่ในที่สถานที่แบบนี้นะ ต้องมาเจอความหนาวต้องมานอนกลางดินกินกลางทรายเนะี่ยต้องอยู่คนเดียวนอนคนเดียวต้องเจอความไม่สะดวกสบายหลายอย่างพวกนี้มันไม่ได้แค่ฝึกให้เราอดทนนะแต่ว่าฝึกเพื่อให้เราเรียนรู้ที่จะอยู่กับความไม่สะดวกสบายโดยที่ใจไม่เป็นทุกขนะ์อยู่กับมันโดยที่ ความอึดตัดความความขัดเคืองนะหรือว่าความกลัวมันทำลายจิตใจไม่ได้แลถ้าเรารู้วิธีนะที่จะจัดการกบมันด้วยสตินะเราก็จะสามารถพวกความสงบใจได้นะต่อไปเวลาอยู่ข้างนอกไปเจอผู้คนทมกลางาเสียงวุ่นวายนะ แต่ว่ามันก็วุ่นวายแต่ภายนอกแต่ใจสงบนอันนี้เป็นความสงบที่ประเสริฐกว่านะคือสงบภายในเอาละครนิ้วพื้นเท่านี้